กระรรมนเทศนาแผ่นที่110ลำดับที่10โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมอวันที่9มิถุนายน2560รมีชื่อเรื่องว่าใจจอมยึดวันนี้เป็นวันที่9มิถุนายนพุทธศักราช2560 วันนี้เป็นวันพระขึ้นสิบห้า้ามเดือนเจ็ดเป็นวันพระใหญ่เมื่อเช้าก็มีพี่น้องประชาชนเข้ามาสู่วัดแล้วก็ตอนเที่ยงพระรงอุโบสถตอนเย็นนี้กับพวกเราก็ได้รวมกันทำวัดเย็นไหว้พระสวดมนต์พึ่งจบลงจากครู่นี้ต่อ น, นี้ไปหลวงพ่อจะได้กล่าว เรื่องราอะไรให้พวกคณะสถานญาติโยมทั้งหลายได้ฟังขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านเป็นผู้มุ่งมั่นตั้งใจใฝ่ในกุศลใฝ่นในใคุณงามความดีอย่าไปไฝ่หาความชั่วเสียหายชั่วช้าลามกอย่าไปไฝ่หาไฝ่หาอย่างไงคือไฝ่หาทุกเราต้องไฝ่หาคุณงามความดีมีพัฒนาจิตใจของเราให้ สูงขึ้นไปเรื่อยๆจะพัฒนาอย่างไงใจของเราจึงจะเป็นใจที่เป็นสัมมาทิฏฐิจนถึงจะเป็นพระเรียบุคคลพระโสดาสกธาอนาคารหันเนี่ยเราต้องใยใจอย่างนั้นไม่ใช่ว่าเราจะไยใจไปในทางตำช่วดชาเสียหายนาลกจกเปรตไม่น่าจะเป็นอย่างนั้น เราเกิดมาทั้งทีชีวิตได้พบพระพุทธศาสนาได้พบพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วควรจะประกอบคุณงามความดีควรจะสังสมผลกุศลเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจของพวกเราในพรรษานี้สำหรับพระหลวงพ่อกระเด็พูดตอนเที่ยงแต่สำหรับจัทวาญาติโยมที่ได้ยินเสียงหลวงพ่อนี่ ในพรรษานี้ 2,560 เนี่ยถึงจะมนอยู่ในวัดหลวงพ่อก็เถอะนะอยู่ต่างทินต่างแดนทางไกลทางไหนก็ตามนะที่หลวงพ่อพูดให้ฟัง เ, เอาไปสังเกตเอาไปคิดกันกรองไตรตรองด้วยเหตุและผลดูสิเมื่อเราได้ยินเสร็จแล้วนำนำมาประพฤติปฏิบัติ มันก็เป็นสมบัติของเราแต่หลวงพ่อพูดไปให้ฟังเนคะรับเป็นแนวความคิดว่าพวกเราควรจะปฏิบัติตนอย่างไรในพุทธศาสนิกชอนอายุของเราถึงขนาดนี้พวกเรามีอายุถึงขนาดนี้เราควรจะปรับปรุงแก้ไขกายใจของเราอย่างไรอันนี้ไม่มีใครที่จะ ปรับปรุงแก้ไขกายวาจาใจของเราได้นอกจากตัวของพวกเราทุกทุกท่านเองในเมื่อเรามองดูของเราแล้วชีวิตของเราที่ผ่านมาเราประกอบคุณงามความดีและประกอบสิ่งไหนก็ตามที่ประสบปการมาคนเราไม่จะดีอย่างเดียวก็เป็นไปไม่ได้ถ้าจะเป็นชั่วอย่างเดียวก็คงจะเป็นไปไม่ได้มันก็ขะกันไปแต่บางคนก็ ฝ่ายชั่วมากกว่าดีบางคนคนดีมากกว่าชั่วนะแต่ถึงยังไงก็ตามมันก็อยู่ในตัวของเราเรานั่นเป็นผู้รู้ทั้งหมดแต่เอาเถอะตั้งแต่ปัต tn ี้เป็นต้นไปเราให้มีตั้งต้นนะตั้งแต่ปัต tn ี้เป็นต้นไปข้าพเจ้ารู้แล้วว่าชีวิตของข้าพเจ้าที่ผ่านมามันดีมันเลวอย่างไรแต่บัต t ี้ข้าพเจ้าจะตั้งต้นใหม่ จะคิดดีทำดีพูดดีเท่านั้นถ้าเป็นไปได้นะถ้าเป็นไปได้นะอายุของเราถักถึงขนาดนี้เอาเถอะ เ, เราควรจะวางจุดนั้นแล้วเป็นที่ไว้เงืเง่อเชื่อใจสำหรับลูกหลานได้แล้วถ้าว่าพวกเราพอที่จะวางตัวได้แต่ถึงยังไงไมันก็ได้ถ้าเรามีความมุ่งมั่นตั้งใจนะ ถ้าเราไม่ตั้งใจนะมันจะคุ้มเคืองนะศรัทธาญาติโยมเออมันคล้ายๆว่ามันไม่กล้าตัดสินใจเพราะไม่กล้าตัดสินใจอความสงสัยลังเลก็อยู่ในจิตใจอย่างนั้น้แค่ๆมันค้างคาอยู่ในจิตใจแต่ถ้าเราตัดสินใจเพี้ยงลงไปแล้วนะเอาเถอะข้าพเจ้าจะรักษาศินห้าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจะดีจะเลวยังไงก็เอาเถอะข้าพเจ้าจะรักษาศินสิ่งที่มันไม่ดีข้าพเจ้าจะไม่ทํา ถ้าเราตัดสินใจอย่างเดียวตรงนั้นล่ะทุกอย่างมันขาดสะบั้นออกไปจิตใจมันจะวายเลยทีนี้เอ่อดีวัเราทานเราไม่มั่นใจเราก็จะรักษาสินห้าสักปีหนึ่งก่อนก็ได้เอาเถอะข้าพเจ้าจะรักษาศินโอโบส์รักษาสินห้าสักเดือนนึงเออต่อไปข้าพเจ้าจะรักถ้ามันเป็นไปได้ข้าพเจ้าจะรักษาเป็นปีเออเสร็จแล้วรู้แล้วข้าพเจ้าจะรักษาสินห้าตลอดชีวิต ในเมื่อถึงข่าวนั้นแล้วีมันเบาสบายนะจิตใจไปในทางจิตใจไปในทางทางเดียวนะมันไม่ไปทางอื่นลนจิตใจนิ่งจัดใจไปในทางความสงบเยือกเย็นหลนะไปนะสถานที่ใดมันจะเย็นสบายนะสถานญาติโยมเพราะเราจิตใจของเรามีความมุ่งมั่นตั้งใจประกอบคุณงามความดี สิ่งที่มันไม่ดีมันจะรู้มันจะรู้ด้วยตนเองนะท่นี่มันจะส ก, กัดออกส ก, กัดออกส ก, กัดออกนะท่ีในเมื่อมีสินแล้วก็ต้องมีธรรมในจิตใจจากนั้นก็ใฝ่ในการประกอบคุณงามความดีขึ้นมาเลยท่นเีเราก็พยายามนั่งสมาธิบ้างเป็นคลางคราวต่อไปเห็นผลแห่งสมาธิจิตใจได้รับความสงบอ่ ว่ได้จิตใจได้รับความสงบเท่า น, นั้นแหละท่านเห็นผลนี่ละมาความหมั่นความขยันเกิดขึ้นเองท่อาอถ้าว่าไม่ได้นั่งสมาธิแต่ละวันเนี่ยมันขาดเมื่อเราไม่ได้ทานอาหารลาักษณะอย่างนั้นแหละไม่ได้ดื่มน้ำไม่ได้ทานอาหารอย่างนั้นแ่ะไม่ได้พักผ่อนลักษณะอย่างนั้นแหลอมันจะคล้ายๆว่ามันมันมันมุ่งมุ่งหวังหาเองเลยท่านเพราะการภาวนาเป็น เครื่องพักผ่อนทางด้านจิตใจให้จิตใจได้พักผ่อนเพราะว่าเมื่อเราทํางานทั้งวีทั้งวันของร่างกายลักษณะนะการทํางานของร่างกายมันก็ทุกเออมันเป็นทุกข์เพราะทงานมันหนักแต่เรามานั่งพักผ่อนเรามันนอนไงเราก็มีความสุขนี่ก็เหมือนกันถ้าหวัวใจของเราคิดทั้งวีทั้งวันมันกะโหยหิวโหวยไปเรื่อย อหิวโหยโรยแรงไข้ค้าหัวใจของเราไม่เหนไม่มีกําลังแต่ถ้าว่าเราจิตใจของเราได้พักผ่อนจิตใจของเราได้นั่งเข้าสู่สมาธิจิตใจนิ่งเท่านั้นล่ะจิตใจจะมีกําลังเมื่อจิตใจมีกําลังเราจะคิดอ่านเรื่องอะไรจะพิจารณาเรื่องอะไรจะดําเนินการเรื่องอะไร มันเป็นไปได้ทั้งนั้นเพลัรเพราะว่าใจของเราได้พักผ่อนมีกําลังแล้วนะนะสิ่งทางทั้งหลายทั้งปวงที่หลวงพ่อได้พูดให้ฟังเนยให้พวกเราเอาสังเกตแล้วให้ฟังแล้วก็นํามาประพฤติปฏิบัติดูที่เป็นยังไงหลวงพ่อมั่นใจที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวไปนี่เนะ่ะเป็นหนทางเป็นแนวทางที่พวกเราจะได้รับความ สงบเยือกเย็นทางด้านจิตใจนะจิตใจของเราจะไม่กระสับกระส่ายไม่กระเสือกกระสนจิตใจของเราจะแน่งสงบมีความสุขอย่างลึกๆนะนี่แหละในเมื่อเรามีศีลแล้วก่อนการภาวนานและการปฏิบัติก็เป็นไปได้ไเพื่อไรเพราะว่าสํารวมกายวาจาแล้วแต่ไหนเป็นกายวาจาเนี่ยเป็น เป็นหนทางของใจที่มันจะคิดไปในทางที่ชั่วพูดไปในทางที่ชั่วเป็นหนทางของมันแต่ที่เราปิดทนทางมันซะเราจะไม่พูดมุสาเราจะไม่พูดสิ่งที่มันเป็นอปมงคลเราจะไม่พูดแล้วกับการกระทําของเราเราก็งดไม่ข่าไม่ขโมยอยู่ในกรอบของศีลธรรมในสามีภรรยาไม่ดื่มโุราน มันก็เป็นมันตัดตัดทอนทางกิเลสตัวหยาบหยาบทางด้านจิตใจแล้วนะจากด้านของเมื่อตัดทอนทางแล้วนะใจของเราก็อยู่อยู่ในกรอบอยู่ในหลักเหตุผลอยู่ในหลักศีลธรรมอจากนั้นก็นั่งภาวนาตัวนี้กำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกนั่งขจมาที่ก็ได้นั่งเก้าอี้ก็ได้ ถ้าว่าตามที่จริงขวดจะนั่งสมาตินั่งคัดสมาธินะะั่นแหะเพราะเหตุลไยเพราะว่ามันจะเป็นจิตจะลักษณะวัานี่คือเรานั่งสมาธินะถ้านั่งอย่างอื่นมันยังทะเลาะถ่ายใจของเรายัางเ ม, มือนก็นั่งเล่นหรือนั่งเป็นอย่างอื่นแต่เรานั่งสมาธิเนะี่ยมันแนวแถวของพระพุทธเจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านให้แนะนําบอกกล่าวให้เน่าเรานั่งสมาธิ ในเมื่อนั่งสมาธิแล้วอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวให้ปนมมือแล่าขึ้นระ ว, ว, ว่างวกไหวพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์สก่อนพูดโธรทำโมสังโคถึงสามคนสามจบจากนั้นก็แผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลแผ่เมตตาขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นสุขท่านทั้งหลายจงเป็นสุขการแผ่เมตตาเนี่ยจะทำให้จิตใจของเราอ่อนน้อม ไม่ถือโทษโกรธเคืองกับใครทั้งหมดในขณะที่เรานั่งภาวนาถ้าเรานั่งภาวนายังมีจิตใจประวัติประวัติตผูกพยาบาทอาฆาตแล้วไม่พอใจกับผู้ใดใครผู้หนึ่งอยู่ใจของเราจะไม่ได้รับจะไม่สงบนะใจของเราจะไม่สงบใจของเรามันจะคิดอยู่ยังประวัติไปหาสิ่งที่เรื่องทะเลาะปีวาท์กันเรื่องไม่พอใจต่อกันอยู่นี่แหละ เรื่องปุกคระไม่สับปลายะน่อยเออมันโมโหให้เขาอยู่ลึกๆแต่เราแผ่เมตตาเอาเถอะเราจะไปถือโทษโกรธเคืองให้กับครเราให้อภัยในขณะที่เรานั่งภาวนาเราให้อภัยทั้งหมดทุกดวงวิญญาณทุกดวงใจฮพอเราตัดตรงนั้นลงอีกเรากุบรกก ร, รมหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนพุทโทพุทโทพุทโทะจน นี่แหละถ้าเราภาวนาอย่างนี้ ใ, นใจของเราก็จะเข้าสู่ความสงบได้ง่ายง่ายพทุพโทโธพุทโธหายใจเข้าพุทให้ใจออกโธให้ใจเข้าพุทให้ใจออกโ ท, เ อ, อกโทเอไม่ให้มันเผลเอถ้าว่าหายใจเขานนมันจะหลงลืมง่ายให้กัดฟันกัดฟันด้วยแล้ว บริกรรมหายใจเข้าพุทธหายใจออกทวนกัดฟันให้ลูกมีความสํำนึกอยู่แล้วกัดฟันอยู่จากนั้นเรายังค่อยปล่อยเวลามันมีสติแล้วหนึ่งให้กําหนดลมหายใจทำธรรมดาเหายใจเข้าพุทหายใจออกโทพุทโทพุทโทพุทโทรนะถ้าว่าเราจิตใจของเราไม่เน่งสะก่อนนะจิตใจไม่เป็นหนึ่งสก่อนเราจะพิจารณารมข้ออื่นมัน เป็นไปไม่ได้นะจิตใจของเรามันลวนเลยมันจะสงสัยจิตใจของเราไม่นิ่งมันต้องผ่านนิ่งซะก่อนผ่านความสงบซะก่อนเพราะฉะนั้นพวกเราต้องพยายามพยายามทาจิตใจให้สงบในเมื่อสงบมือจนถึงผ่านขั้นอัปปนาสมาธิผ่านนิ่งนั่นล่ะเราจะเห็นผลในระดับหนึ่ง แต่จากนั้นเราก็ถอนขึ้นมาอุปจาระสมาธินำมาพิจารณาร่างกายสังขารของเราพิจารณาในร่างกายของเราเนี่ยมีอะไรมีดินมีน้ำมีลมมีไฟเหมือนกับในโลกของเราเราพิจารณาดูโลกไม่ใช่โรคนะโลกะโลกคือการเป็นอยู่ของพวกเราโลกกลมๆล ม, มีอะไรบ้าง มันก็มีดินใช่ไหมล่ะมีดินแล้วก็มีน้ำํำแล้วก็มีลมแล้วก็มีไฟไฟกระดวงอาทิตย์เนี่ยนะไฟอพระดวงอาทิตย์ส่องลงมาเนี่ยหล่ะไฟดินก็คื อ, คอเนี่ยที่เราเหยียบน้ำข้อเห็นน้ำํำมห า, มาสมุทรทะเลน้ําอะไรต่อมีอะไรที่เราเห็นแล้วก็ลมข้ลมพัดผ่านอ่าลมแรงลมคล่อยลมพัด อันนี้คือโลกมนะันเป็นอย่างเป็นอย่างนี้แต่ร่างกายของเราก็เหมือนกับเปรียบเทียบกับโลกเองเหมือนกันเหมือนกับย่นเสือให้เป็นแมวลักษณะอย่างนั้นแหละแโลกม่นเหมือนกับเสือแต่แต่ของเราเน่ยเหมือนกับแมวแมวของเราก็เหมือนกับโลกเองเหมือนกันร่างกายในตัวของเราอที่เป็นของแข็งคือกระดูกนเอพวกเนื้อพวกกระดูกพวกผมน่ะ พวกฟันนะอันนี้เป็นว่ตดินนะพวกของแข็งในร่างกายทัวงหมดดินนะน้ำก็คือ น, ะน้ำปัสสาวะน้ำเลือดน้ำตานะมีหลายน้ำอยู่ในร่างกายของเราน้ำปัสสาวะนะอยู่ในท้องของเราก็มีอันนี้เป็นว่าน้ำลมลรอ ลมหายใจเข้าลมหายใจออกลมในช่องท้องอันนี้กันเรียกว่าลมแล้วก็ไฟไฟก็ทําทําให้ร่างกายอบอุ่นจิตใจของร่างกายของเราอบอุ่นเอถ้าจิตใจไม่มีไฟแลถ้ากายของเราไม่มีไฟมันอยู่ไม่ได้เพราะอะไรเพราะกายมันอหมดไฟแล้วก็เย็นเยือกไปหมดผลสุกตายนี่แหละสรุปแล้วก็คือร่างกายของเราเนี่ย มีดินน้ำลมไฟเหมือนกับโลก เ, เหมือนกับโลกโลก น, นมีดินน้ำลมไฟเนี่ยเราจะพิจารณาเป็นในร่างกายของเราเนี่ยเป็นดินน้ำลมไฟก็ได้แต่สิ่งที่มาสิ่งที่มาเกี่ยวข้องสิ่งที่มายึดถือน่ยคือใจบวะเนี่ยใจคือนมามธรรมตัวนี้แหละเขามายดึดอามายึดร่างกาย มายิตร่างกายของตนเองอยู่นะ่ะคล้ายๆว่าเป็นนมามธรรมว่าร่างกายเนี่ยเป็นของเราเ อ, อแต่พระพุทธเจ้า อ, อพระหานทาวโลกของพระพุทธเจ้าจั่นว่าร่างกายมันไม่ใช่ตัวตนของเรานะเป็นเป็นเครื่องเป็นปัจจัยอาศัยชั่วคราวเฉยๆอีกสักวันหนึ่งนะมันจะต้องแปลเปลี่ยนสู่ดินน้ำลมไฟของมันไปตามสภาพ นหละใจของเราอย่าไปยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นของเป็นตัวตนนะนี่แหละอันนี้ก็คือให้พิจารณาในเมื่อจิตผ่านความสงบแล้วนะก็นำมาคิดมาพิจารณาจริงไหมร่างกายของเราจะอยู่จะอยู่โฉวฟ้าดิดชลาอตายไม่เป็นไม่แตกไม่ดับเป็นไปได้ไหมแล้วคนอื่นละ่ะเราเปรียบเทียบนอกคนอื่นละ่ะ พ่อแม่ปู่ย่าตายายอยาติโกโหติกาของเราไปไหนไปเผาไฟไปฝังดินมีตะกระดูกปลรอยอังคารเราละ่ะเราจะอยู่โชว์ฟ้าดินสลายาพร้อมกับโลกอย่างนั้นใช่ไหมเราคงจะไม่ตายไม่เป็นอย่างนั้นใช่ไหมถ้าเราพิจรารณ า, นานดูแล้วใช่เราก็ต้องยอมรับ อีกสักวันหนึ่งข้าจะต้องเป็นอย่างที่ท่านผ่านไปแล้วนั้นเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะนี่แหละการพิจารณาทำแต่ทำไมพิจารณาเพื่ออะไรพิจารณาให้จิตใจของเราปุ๊บเกิดความเบื่อหน่ายคลายแอบคล้ายไม่ให้ยึดมั่นถือมั่นไม่ให้ยึดมั่นถือมั่นไม่ให้ยึดถือว่ราร่างกายเนี่เป็นอนัตตานะไม่ใช่ตัวตนของเรานะอย่าไปยึดมั่นถือมั่นนะใจนะ แล้วก็ย้อนเข้ามาหาตัวผู้รู้คือใจอใจอย่าไปยึดมัน่นถือมันนะ่นอีกสักวันหนึ่งนะร่างกายในแตกตายสู่ดินน้ํำลมไฟนะแล้วก็พิจารณาใจใจของเรามีความรู้สึกนึกคิดอะไรในเมื่อเห็นร่างกายอย่างนี้แล้วมันมีความนึกคิดยังไงอารมณ์มันเป็นยังไงอต้องเห็นนะใจของเราต้องเห็นนะอันนี้จังนะของไม่เที่ยงนะสิ่งไหนไม่เที่ยงสิ่ง น, นั้นเป็นทุกนะใจนะ สิ่งไหนเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตานะี่ยไม่ใช่ตัวตนของเรานะใจน่นะย้อนเข้ามาหาตัวผู้รู้คือใจให้เป็นให้เป็นอนัตตานะสรุปแล้วให้ให้น้อมมาเป็นไม่ให้เป็นไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกข์ังอนัตตาร่างกายให้เป็นอนิจจังทุกข์ังอนัตตาจิตใจก็เหมือนกันใจของเราที่ตัวรู้รู้ตัวนึกคิดอยู่นี่นะ่ะบางทีก็สุขบางทีก็ทุกข์ บางทีก็ เ, เสียใจเนี่ยน่ะใจตรงนี้ก็เป็นอยู่ในไตรลักษณ์เหมือนกันอันนี้จางทุกขังอนาตาเหมือนกันเน่น่ะดูที่ใจอยู่ที่ใจปล่อยวางที่ใจไม่ยึดมั่นถือมั่นที่ใจนี่แหละทำที่พวกเราจะพิจรนารณามันถึงจุดนั้นนะไม่ไม่ไม่เกินกว่านั้นนะไม่เกินกว่าตัวตัวรู้ตัวนึกคิดนะ่ะ แต่มันจะปล่อยวางจุดนั้นได้นะมันใช่ธรรมดานะยากมากเพราะมันติดภพติดชาติติดมาเป็นโรสีกีอสงไข่นะเรามมนจะพิจารณาปล่อยวางเอาง่ายง่ายมันไม่ใช่ง่ายง่ายนะจะไปคิดว่าโอ้การภาวนานเดี๋ยวกลัวมันจะหลุดพ้นไป <c oughs> เพราะนั้นเอาไว้ก่อนนะอย่าไปหาคิดนะพวกเรามันเพาเกิดมาติดภพติดชาติมามากมาย ม, มหาศาล เราจะมาภาวนาเอาง่ายๆหลุดพ้นอย่างง่ายๆเป็นไปไม่ได้นะไม่ใช่มันมันไม่ง่ายนะเพราะนั่นขอให้พวกเราทุกๆท่านนะการภาวนาพยายามทำให้มากจเจริญให้มากแล้วนั่นแหละมรรคผลนิพพานก็อยู่ที่ใจของเราทั้งหมดถ้าเราทำถูกที่ถูกทางแล้ว เกิดความเบื่อหน่ายคายหลุดพ้นแล้วมันไม่อยู่ที่ไหนมันอยู่ที่ใจของเราทั้งหมดแต่ที่ในี่ใจของเรามันเต็มไปด้วยอวิชชาความไม่รูนะ้ความหลงงมงายสิ่งมันจิดถือทางโล ก, กว่าเป็มีความสุขมีความสุขกว่าตัวนี้นะแต่ตามไม่จริงทางโลกทั้งหลายทั้งปวงนะมันเป็นเรื่องวัตฏะมันเป็นเรื่องทุกข์ทุกข์ทางนั้นนะ อ ย, อ, นนนะอย่าไปคุ้นเชื่องกับธาตุสีดินน้ำลมไฟนะอย่าไปคุ้นเชื่องอีกสักวันเนะ่ยมันจะตองแตกสลายลงสู่เชื่อมกวาหะการหมดดินน้ำลมไฟดินน้ำลมไฟเล็กคือร่างกายของเรามันจะแตกสลายลงสู่ดินน้ำลมไฟใหญ่มันคือโรคโรคก็กคือดินแผ่นดิน น้ำทะเลน้ำต่างๆลมลมมันพัดผ่านไปที่ไหนก็มีแต่ลมพัดผ่านแล้วกับไฟกับดวงอาทิตย์ยแล้วกับความอุ่นมันมีทั่วทุกแห่งหนเนี่ยคือไฟร่างกายของเราก็ลักษณะอย่างนั้นละ่ะอีกสักวันหนึ่งก็ต้องแตกสลายลงสู่ดินน้ำลมไฟเปน็นนัยจังทุกขังอนัตตา กอให้พวกเราภาวนานะอแต่อันดับแรกก็เนี่แหละให้มีศีลท่าให้มีศีลพระก็ให้อยู่ในศีลอย่างนั้นก็ให้มีสมาธิในเมื่อมีสมาธิพอสมควรพิจารณาทางด้านปัญญาแยกแยะดูอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวพิจารณาธาตุสีก็ได้ดินน้ำลมไฟเนี่ยนะร่างกายของเราเป็นยังไงมีอะไร เปรียบเทียบอย่างที่หลวงพ่อได้พูดให้ฟังโลกนีัยมีมีธาตุสีดินน้ําลมไฟร่างกายของเราก็มีธาตุสีดินน้ําลมไฟเหมือนกันะออแต่ใจของเราอย่าไปหลงนะโลกมนะันเนี่ยโลกใบใหญ่จะว่าเป็นของเราทีเดียวไม่ได้เป็นเพียงเป็นเครื่องอาศัยเท่านั้นเองแต่ร่างกายของเราก็เหมือนกันเราก็เป็นใจของเรามาอาศัยร่างกายอีกเหมือนกันนั่นะอีกสักวันหนึ่ง ร่างกายเนี่ยก็จะต้องแตกอีกเหมือนกันใจของเรานะต้องดูนะอยา่าหลงนะนี่แหละเราให้พิจรารณาเมื่อเราพิจารณาอย่างนี้แล้วใจิตใจไม่หลงไม่หลงตนเองนะเ ร, รู้แจ้งเห็นจริงในตนเองเกิดความเบื่อหน่ายคลายใจิตใจก็หลุดพ้นจากอาสวักิเลสกิเลสในใจของเราโลกกดหลง ใ, ในใจของเรานะ วันนี้หลวงพ่อพูดเพียงตัวนี้ก่อนเอาตัวนี้ไปนั่งสมาธิน่าจะนี้นะจะเปิดเทปเอ็มพสามสามฟังทักกันหนึ่งก็ดีเหมือนกันนะได้มาทั้งทีแล้วแล้วก็พวกเรานะคู่บา ท, ทั้งหลายาทดลองดูอดนอนดูซิวันพระอย่างนี้นะเอาเรียบทสองนั่งกับเดินแต่จะไปคุยกันนะ เวลาอดทือถือเนชชเชีนไปหานั่งคุยกันทั้งวีทั้ ง, งคืนก็ไม่ได้นะเสียเวลาอีกทำให้อารมณ์ฟุ้งซ่านอีกต่างหากเวลาเราเภาวนาให้เป็นเอกเทศที่สุดบังคับให้ดูใจของตอนเองเราจะนั่งอยู่ที่ไหนก็ได้นั่งอยู่ที่ศาลานี่ก็ได้อยู่คนละมุมกันอย่าไปคุยกัน มีภาคคลองมีผ้าไตรเสร็จแล้วกันนะเดินยังข้มที่ไหนกันนั่งภาวนาของใครของเรานี่แหละอันนี้ก็คือเป็นการฝึกหัดดัดเนื้อใจการภาวนาอีกสักวันหนึ่งพวกเราจะต้องเจอหนทางทางด้านจิตใจของเราพวกเราจะได้รับความสงบรล่มเย็นเป็นสุขจากนั้นพอเราฝึกได้แล้วเป็นไปเองแล้วต่นี่ใจของเราไปเป็นสมาธิเกิดขึ้นมาแล้วใจมันจะ อ, อมุ่งมั่นตั้งใจเองนมันเนิง่งมันสบายมันมีความเย็นในจิตในใจนะนอ่พระเนนลูกหลานนะใจจะไม่ร้อนนะแต่เราไม่ได้รับความสงบใจของเรามันจะร้อนนะร้อนอยู่ในจิตใจร้อนใจไม่เหมือนไม่เหมือนร้อนภายนอกนะร้อนภายนอกแล้วเอาน้ำเอาน้ำมาอาบก็ได้เย็นจูดในห้องแอร์มันก็เย็นแต่ร้อนใจในเข้าไปอยู่ในห้องแอร์ก็ยังร้อนอยู่นะ นอกจากเอาน้ำธรรมะหลักเหตุผลเท่านั้นนะมาแก้มันมันจึงจะเย็ดได้นะใจร้อนนี่นะนั่งสมาธินั้นที่นี่นะลูกหลานนะ